นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสานโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสานนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธศาสตร์สุขศาสธาตตาเมธาวีสุขังโซอธิคัตติตีนบัตนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสุขานกถา ว่าด้วยการให้ความสุขเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบา ร, รมีอนุโมทนากุศลบุญญาลาสีของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ตั้งใจมาฟังเทศฟังธรรมนะวัดปยุระวงสาวาตวรวิหาร เนื่องในวันนี้เป็นวันพระใหญ่พระพุทธเจ้ากำหนดให้เป็นวันธรรมมะ ส, สวนะัสคือวันฟังเทศฟังธรรมอันอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคมอันเป็นเดือนใหม่ของปีใหม่ 2,560 และก็ใกล้กับวันปีใหม่ตามคติของจีน ก็คือเทศการตรุจจีนซึ่งมาถึงในวันพรุ่งนี้อันเป็นวันปีใหม่และเมื่อถึงกำหนดที่สมมติกันว่าปีใหม่เราก็เฉลิมฉลองให้ความสุขแก่กันและกันการให้ความสุขย่อว่าสอขอสอส่งความสุข แต่จริงๆนะ่ะความสุขส่งกันได้หรือเปล่าเราได้รับบัตรสคสอแล้วเรามีความสุขหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่เคยตั้งคําถามเพราะเราทํากันมาประจําจากเคยส่งบัตรสคสอไปสเน่ทาหน้าที่ลําเลียงความสุขก็มาส่งกันด้วยระบบดิจิตอล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตออนไลน์เป็นลายบ้างอะไรบ้างผู้รับมีความสุขหรือไม่ทางปลายทางนั้นเราก็ไม่ทราบรู้แต่ว่าเราที่ส่งเนี่ยคิดถึงมีน้ําใจเป็นผู้ให้และเราก็มีความสุขดังนั้นความสุขอยู่ที่การสร้างสคสอไม่ใช่ส่งความสุข แต่สร้างความสุขเราสร้างความสุขด้วยการกระทําการกระทําความดีให้คนอื่นมีความสุขเราเองก็มีความสุขดังพระบาลีนิเขป บ, บทที่ยกไว้นะเบื้องต้นว่าสุขะสะเมทาเมทาวีเป็นต้นซึ่งแปลว่าผู้ให้ความสุข สุขสะทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาที่ให้ความสุขตนเองก็ได้รับความสุขเราให้ความสุขแก่คนอื่นเพราะขณะนั้นจิตใจของเราเบิกบานจิตใจของเรากำลังดีเราให้ความสุขด้วยการทำขนมหยิบยื่นให้เขาส่งอาหารให้เขาเราไม่ได้ส่งด้วยความโกรธ เราไม่ได้ส่งด้วยความอิจฉาริษยาเราส่งด้วยจิตใจที่เปิดกว้างยิ้มแย้มแจ่มใสในขณะที่เราให้นะแหละเรามีความสุขเพราะฉะนั้นเราทำดีเมื่อไรอันเป็นความสุขสำหรับผู้อื่นใจเราเบิกบานใจเรางดงามใจเราผ่องใส เราได้ความสุขเมื่อ น, นั้นตรงเงินข้ามเราพยายามสร้างความทุกข์แก่คนอื่นด้วยการไปด่าเขาบ้างด้วยการไปตีเขาบ้างด้วยการไปทะเลาะกับเขาบ้างรู้ไหมว่าในขณะนั้นจิตใจเราคุณมัวทุกข์ขนาดไหนกว่าจะด่าเขานี่เรากัดฟันมากี่รอบ ความดันขึ้นไปเท่าไรเราทุกข์พอเราทุกข์เราก็ระบายใส่คนอื่นให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัวไม่ต้องรอให้เขามาด่าตอบไม่ต้องรอให้เขามาตีตอบเราทุกข์ตั้งแต่เริ่มให้ทุกข์แก่เขาเพราะฉะนั้นผู้ให้ความสุขตนเองก็ได้ความสุข มีเด็กคนหนึ่งทุกข์เหลือเกินไปกราบพระอาจารย์หลวงพ่อครับทําไมผมทุกข์เหลือเกินเครียดตลอดมีเรื่องตลอดโชคไม่ค่อยดีนะหลวงพ่อก็ไม่ตอบอะไรบอกไอ้หนูมานี่เอาแก้วมานะเอาน้ําใส่แก้วมาแล้วหลวงพ่อก็ เอาเกลือหนึ่งช้อนใส่เข้าไปในแก้วน้ําคนเข้าแล้วก็ให้เจ้าหนูเจ้าเด็กคนนั้นมันดื่มพอมันจิบไปเท่านั้นโอ้โหเค็มอย่างเลยหลวงพ่อกินไม่ลงหลวงพ่อก็ให้ไปตักน้ํามาถังหนึ่งแล้วน้ำสะอาดสะอาดหนึ่งถังเนี่ยน้ําประปาดินะมาตั้งไว้ แล้วก็ตักเกลือหนึ่งช้อนเท่ากันเทลงไปใส่ลงไปในถังน้ำขยา่าเขย่าให้มันละลายแล้วก็ให้เด็กลองตักน้ำมาชิมไม่เค็มเลยหลวงพ่อเกลือมันหายไปไหนหมดน่ะหลวงพ่อก็บอกกันนี่แหละเจ้าหนูความทุกข์ปัญหาเนี่ยมันเหมือนเกลือ ถ้าเราเก็บไว้ในที่แคบแคบอย่างในแก้วน้ำความทุกข์คือความเค็มเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่นะมันเค็มมากใช่ไหมเพราะเราใส่ไว้ในที่เล็กๆ น, น้อยๆความทุกข์มันจึงมันเหมือนกับเกลือนี่แหละถ้ามันใส่ลงในใจที่แคบมันจะเค็มมากคือทุกมาก ตรงกันข้ามถ้าเราเอาไปใส่ในถังน้ำหรือในโอง่งไม่รู้สึกเค็มเลยเอาปัญหาไปใส่ให้กับคนที่ใจกว้างใจใหญ่ใจเหมือนแม่น้ำปัญหามันเล็กนะไอ้ที่ปัญหามันใหญ่ทุกข์มันมากเนี่ยเพราะเห็นแก่ตัวเพราะเราใจแคบ ความเห็นแก่ตัวมันทำให้ที่รองรับความทุกข์ปัญหาเนี่ยมันเล็กความทุกข์มันก็เลยคับแก้วนะความเค็มคับแก้วตรงกันข้ามถ้าเราใส่ไปในถังในโอง่งใจกว้างความทุกข์ที่มีมานี่กลายเป็นเรื่องเล็กลองสังเกตในชีวิตเราสิพ่อแม่เข้าโรงพยาบาลเนี่ย ไปอยู่ในห้องไอซียูบางทีมันไม่สําคัญเท่ากับเราปวดฟันนะเรื่องปวดฟันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราเพราะเราคิดถึงตัวเราเองพ่อแม่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลหมอกําลังจะผ่าตัดเล็กกว่าปวดฟันของเราเพราะเราเห็นแก่ตัวไอ้นี่มันฟันของฉันมันปวด เราก็เลยมาคิดถึงแต่ตัวเองแต่บางคนเนี่ยนะเรื่องพ่อแม่เข้าโรงพยาบาลเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นรีบไปรีบไปดูรีบไปดูแลรักษาลืมปวดฝันเคยเป็นไหมละ่ะไอ้ปัญหาของเราจิ๊บจ้อยทันทีเลยหลวงวิจิตวาทการเขียนเล่า ว, ว่า ตัวเองเนี่ยเดินทางไปยุโรปในสมัยก่อนเนี่ยต้องขึ้นเครื่องบินใบพัดน่ต่อเครื่องบินไม่รู้กี่รอบไปถึงยุโรปเพราะไปเป็นทูตอยู่ที่ยุโรปแล้วครั้งหนึ่งต้องเดินทางกลับประเทศไทยภรรยาไม่ได้เดินทางด้วยลูกลูกตามไปด้วยลูกที่ยังเล็กๆอยู่เลยนะ ของหลวงวิจิตวาทการเนี่ยตามไปด้วยแล้วก็ต้องขึ้นเครื่องบินกับลูกสองสามคนเนี่ยกำลังสนกันเลยตัวเล็กๆนั่งเครื่องบินกับพร้อมกับคุณพ่อคือหลวงวิจิตก่อนขึ้นเครื่องในหลวงวิจิตวาทการนี่กังวลมากเลยดูแลลูกตั้งหลายคนบนเครื่องบิน ไอ้ตัวเราก็จะเอาตัวไม่รอดคือเมาเครื่องบินตลอดเครื่องบินสมัยก่อนมันไม่ได้บินเรียบๆอย่างนี้เนียเพราะมันเป็นใบพัดเดี๋ยวตกล้มอากาศอย่างนูนอย่างนี้โครงเกรงกลัวกันมันก็เลยเมาเครื่องบินสิเพราะฉะนั้นเมาเครื่องบินนี่เป็นอาเจียนโออกอ้าโอกอ้ากันเป็นประจำเลยคนสมัยก่อนเนี่ยเมาเครื่องบินพอหลวงวิจิต เอาลูกไปด้วยเนะี่ยห่วงแล้วเกินว่าตัวเองก็จะเมาเครื่องบินเกิดลูกก็จะเมาเครื่องบินอีกอะไรอีกยุ่งตายเลยแต่ที่ไหนได้ตรงกันข้ามพอตัวเองต้องห่วงลูกรักลูกห่วงลูกเนะี่ยดูแลลูกสามคนบางคนมันก็เมาเครื่องบินบางคนมันก็ซนต้องมัวแต่ต้อนลูกตัวเองเนะี่ยหลวงวิ จ, จิตเองคุณพ่อเองลืมเมาเครื่องบินเนะี่ย ไอ้ที่เคยป่วยเคยไม่สบายบนเครื่องบินนี่หายไปเป็ น, ป, น, ป, น, ป, นปริทิ้งเลลืมพอเครื่องบินมาลงกรุงเทพนึกได้์วันนี้เราทําไมเราไม่เป็นอะไรอ๋อเพราะใจเรากว้างเราใจเราไปคิดถึงคนอื่นไปห่วงคนอื่นมันก็ไม่ทุกข์สิทีนี้บางทีคนเนี่ยมันแปลกนะยิ่งเอาใจใส่ยิ่งใจศอกใช่ไหมกลัวจะป่วยกลัวจะนั่นจะนี่เหมือนโรคจิตอะ่ะ ได้ป่วยเองอ่มันคิดไปหรือไงก็ไม่ทราบนะแต่ถ้าลองมีเรื่องอื่นที่เอาที่สำคัญกว่าดูแลคนอื่นดูแลพ่อแม่ดูแลลูกเนี่ยแม่เนี่ยบางทีไม่ได้หลับได้นอนมีลูกได้น้อยเนี่ยนะเพราะลูกไม่สบายเนี่ยทั้งคืนเนี่ยเฝ้าลูกแล้วถามว่าลุ่งขึ้นป่วยไมมแม่ไม่ป่วยหรอกมาป่วยเอาตอนไหนตอนลูกหายแล้วงานใหญ่ๆที่เราจัดเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานบ้านงานบุญพราะแขกมาเยอะๆเตรียมงานตั้งหลายวันเนี่ยมีใครป่วยบ้างอะ่ะตอนจัดงานจัดงานวิสาขาบูชาโลกที่มหาจุลาคนมากันทั่วโลกเป็นพันๆแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่นะ่ที่รับผิดชอบที่มอบหมายเนะี่ยเป็นพระรูปหนึ่งเนี่ยทำงานหนักเรียกว่าไม่ได้จำวัดกันทีเดียวนะเป็นเดือนเป็นครึ่งเดือนนะ่ และทุกปีพอเสร็จงานไปถามท่านจากขอบคุณท่านเสียหน่อยไปไหนไปโรงพยาบาลทุกปีความดันขึ้นอา้าวแล้วทำไมมาขึ้นเอตอนเสร็จงานลืมหลวงพ่อไอตอนยุ่หน้าสิวหน้าขวานี่ไม่รู้เลยว่าความดันมันเท่าไหร่เกือบน็อกไปก็มีนะพอเสร็จงานแล้วตอนหลังเลยรู้เลยเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วคนเราเนี่ยนะ ถ้าใจกว้างไม่นึกถึงปัญหาไม่นึกถึงความทุกข์ของตนเองและความสุขมันก็เกิดง่ายสุขง่ายทุกยากทุกยากเพราะใจกว้างเกลือมันไม่ทำให้โองน้ำในโอ่งเค็มฉันใดคนที่ใจกว้างต่อให้ปวดฟันปวดเข่งปวดขาปวดเข่า เวลาคิดถึงคนอื่นทำงานเพื่อส่วนรวมมันปวดเสริเมื่อไหร่ล่ะไม่เป็นบางรูปบางท่านมานั่งเทศอยู่เนี่ยความดันขึ้นก็ไม่รู้สึกหรอกแต่พอลงอย่างธรร ม, มาวัดความดันทันทีเลยนะมีพระผู้ใหญ่ระดับสมเด็จเนี่ยนะปาทกะปารกระถาเกือบชั่วโมงนะเมื่อเดือนนี้แหละไปนั่งฟังท่านพอท่านพูดเสร็จนะ พระเจ้าประคุณสมเด็จเนี่ยลงมาเนี่ยหมอต้องรีบไปวัดความดันทันทีเลยเพราะว่าเขาห้ามพูดแต่ญาติโยมมาเยอะเดี๋ยวจะผิดหวังต้องเทศให้ฟังหน่อยต้องพูดให้ฟังหน่อยท่านก็ต้องพูดพูดมากๆนอกบนธรรมะ ก, ก็มีนะเนี่ยผู้อำนวยการเขตพนครเนี่ยรับงานรับคนที่มาเฝ้า พระบรมพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระบรมโกดที่สนามหลวงรนะ้อยวันไม่ขาดเลยสักวันเดียวนะผู้ว่าเห็นทุกวันเลยแล้วอยู่ๆไปพอครบร้อยวันไปเตะฟุตบอลนะ่ยยังไม่ได้ทันล่ําลาใครเลยน็อกไปเลยนะสิ้นชีวิตไปแล้วนี่พวกนายหน่วยการเขตพรนะนครเนี่ก็หมายความว่าบางคนนี่ทํางานจะลืมเจ็บลืมป่วยอันนี้ก็หนักไปหน่อย แมันเป็นเรื่องของกฎแห่งชีวิตว่าถ้าเราใจกว้างนะนึกถึงคนอื่นให้มากเนี่ยปัญหาเรามันเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นคนที่ให้ความสุขแก่คนอื่นจะได้ความสุขความทุกข์ก็น้อยลงและแต่คนไหนที่เอาแต่ เ, เรียกว่าเศร้าซร้อยคิดถึงต่เรื่องตัวเองมาก่อนนะตำหนิตัวเองบ้างพี่ลำพี่ไรเก็บตัวอยู่เนี่ย ใจแคบอย่างนี้ทุบท่วมหัวเลยไม่ได้ออกไปดูพระอาทิตย์เลยนะไปเดีดูตะวันเลยไม่ได้ดูอะไรไม่ได้ให้ความสุขแก่ใครไม่ได้คิดถึงใครวัดวาอารามก็ไม่เคยจะไปทําบุญอยู่ใกล้บ้านเทะไม่คิดจะใส่บาตรไม่คิดจะดูแลลูกๆของตัวเองไม่คิดจะดูแลพ่อแม่ของตัวเองแล้วมันจะมีความสุขได้อย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสเล่าประวัติของพระอินเนะพระอินนี่คือเทา้าสกะเทวราชเป็น เ, เ, เป็นพระราชาของเทวดาเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงพระพุทธเจ้าส่งเล่าว่าตอนที่ก่อนที่จะไปเป็นพระอินเนพระพระอินคือเทา้าสกะก็เป็นมนุษย์ธรรมดา อยู่ในแคว้นมคตชื่อมคคะมานพมานพแปล ว, ว่าชายหนุม่มชายหนุ่มชื่อมคค ะ, ขะเขาก็เลยเรียกมคคะมานพเป็นคนหนุ่มเหมือนคนทั่วไปแต่แกเป็นคนช่างคิดว่าชีวิตเรามันมีค่าตรงไหนความสุขมันอยู่ที่ใดแกก็ได้คำตอบนะเขาก็ได้คำตอบของเขาเองนะมคคะมานพเนี่ย ว่าความสุขมันต้องเริ่มต้นที่บ้านเหมือนภาษิทังฝรั่งว่า Charity begins at home ความเสียสละหรือการช่วยเหลือเกื้อกูลเริ่มต้นในครอบครัวคนบางคนนี่ใจกว้างแต่ไปเริ่มต้นนอกบ้านไปช่วยคนนั้นช่วยคนนี้นักสังคมสงเคราะห์ แต่ปล่อยให้สามีปล่อยให้ภรรยาทุกยากลำบากลูกเต้าอดอยากไม่มีระบบระเบียบเสียผู้เสียคนอันนี้ไม่ถูกต้องมัคคะมานพ บ, บอกมันต้องเริ่มต้นที่บ้านหาให้ความสุขแก่คนที่ใกล้ตัวก่อนเมื่อเขามีความสุขแล้วเราค่อยให้ความสุขแก่คนที่ห่างออกไปและจะได้คิดถึงตัวเองน้อยลง เริ่มต้นที่บ้านที่ใครพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่อย่าให้อดอยากเหมือนที่สนธนผู้บอกว่ามีสลึงพึงประจบให้บรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวาน อันพ่อแม่เท่าแก่ชะเลการเลี้ยงดูท่านอย่าให้อดลันทดใจดูแลพ่อแม่สิเขามาขะมานก็เลี้ยงดูพ่อแม่ก่อนเลี้ยงดูพวกพี่พี่ผู้อาวโสปู่ย่าตายายหมดเอะเราจะทำอะไรอีกให้สิ่งของเขาก็พอแล้วโอ้ต้องพูดไพร่เราะนะ่ะบางทีเลี้ยงดูให้อาหารแต่ประชด น, นะ ก, กินสะแม่กินสะพ่อเออมันจะได้แข็งแรงไปพูดกระแทกเด็กดันเขาเลยทานไม่ลงนะมรคมานบก็เลยตั้งกฎอีกข้อที่หนึ่งเลี้ยงดูพ่อแม่ตลอดชีวิตสองเคารพผู้รักผู้ใหญ่ตลอดชีวิตโดยเฉพาะในครอบครัวข้อสพูดจาไพเราะกับทุกคนในครอบครัวข้อที่สี่ อย่าพูดให้ส่อเสียดให้เขาแตกแยกกันบางทีอยู่ในบ้านนี่เอาความคนนี้ไปยุค น, นู้นเอาฟ้องพ่อไปฟ้องแม่เอาแม่ไปฟ้องลูกทะเลาะกันบ้านแตกนะทั้งๆมีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์แต่บ้านยังกันรกวัดยังกันรกเลยเพราะวายุให้แตกกันฝั่งโน้นฝั่งนี้นะพูดส่อเสียดข้อที่หพูดความจริง นะไม่หลอกลวงกันอยู่ในสัจวาจาข้อที่6ให้แบ่งปันนะให้ทานแบ่งปันซึ่งกันและกันตลอดเวลาเราเรียกกันว่าส่งความสุขเนะ่ยเดี๋ยวสร้างความสุขเดียวกับให้ของคนนี้ให้ของวันวันเกิดเลี้ยงดูกันตลอดเวลาเออว่างๆก็พาไปทานอาหารหนอกบ้านไป น, ไปนู่นไปนี่เรียกว่าข้อที่6กนะการให้การแบ่งปันข้อที่7สําคัญมาก ข้อสุดท้ายไม่โกรธมีเมตตามีความรักมองแง่ดีต่อกันอย่ามาโกรธขึ้นต่อกันใจดีมีเมตตาความรักมองแง่ดีต่อกันไหนที่สุดเนี่ยมรคมานบทเลยกําหนดเป็นอุดมการณ์ของชีวิตเจ็ดข้อว่าทั้งชีวิตเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามวัตตบทแปลว่าปฏิปทาดําเนินชีวิต ตลอดชีวิตเจ็ดข้อของมครคมนบก่อนที่จะไปเป็นพระอินทร์เนี่ยนะใครอยากจะไปเป็น เ, เรียกว่าบริวารเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงกับพระอินทร์เนี่ยต้องมีวัตถบทเจข้อทำดีตลอดชีวิตเจ็ดข้อแล้วจะไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาบริวารของพระอินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงจำได้หรือยังละเจ็ดข้อข้อที่หนึ่ง นะข้อที่หนึ่งเลี้ยงดูมารบิดามารดาตลอดชีวิตข้อที่สองอปฏิบัติต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสด้วยความเคารพนอบนอกข้อที่สมไม่พูดเท็จคือพูดความจริงข้อที่สี่ไม่พูดส่อเสียดไม่ยุยงให้แตกกันข้อที่ห้า ไม่พูดคำหยาบไม่ดา่าในบ้านไหนไม่มีคำหยาบนี่ลราดูมันเป็นสุขอย่างไรไม่พูดคำหยาบข้อที่หข้อที่หให้ให้แบ่งปันตลอดชีวิตมีอะไรก็ให้และข้อที่เจมีเมตตาความรักไม่โกรธไม่โกรธใครพอมัคคะมานพทำอย่างนี้ในบ้านแล้วความสุขมีมากเต็มในบ้านเลยยังต่สวรรค์นในบ้าน พระในบ้านคือพ่อแม่ก็ได้รับการใส่บาตรติดูโลดูแลพ่อแม่ตลอดผู้หลักผู้ใหญ่ตลอดดูแลพระในบ้านแล้วยังไม่พอเริ่มมีความคิดว่าทำไมเราไม่ขยายความสุขออกนอกครอบครัวใจกว้างอย่าใจแคบอย่าเอาแต่สมาชิกในบ้านมัคคะมานกกไปแบ่งปันให้คนอื่นเอไปทำงานทุกวันนี่นะหน้าที่ทางานหน้าสานักงานนี่มันสกปรกนะ ทิ้งขยะไม่เป็นที่แกก็เลยหาที่ใส่ขยะกวาดตรงนั้นตรงนี้แล้วไปนั่งผิงแดดอยูอ่มีเก้าอี้นั่งผิงแดดเอานั่งอยู่ดีๆไอ้เพื่อนร่วม ง, งานมันไม่ทําไม่กวาดไม่แย่งที่นั่งแล้วนะแย่งเก้าอี้แล้วนะตัวเดียวเนะี่ยมขะมานกแทนที่จะโกรธบอกแล้วไม่โกรธเออเราก็ขยับไปทําที่ใหม่เอาเก้าอี้ไปตั้งผิงแดดไอ้คนที่สองมาแย่งอีกแล้วก็ไม่โกรธอีกไป ท, ทําที่กวาดที่อะไรต่างๆ ในที่สุดเขาก็ไม่แย่งอีกแทนที่จะโกรธมาคักมานบทํายังไงรู้ไหมมองยืนมองไอ้คนที่นั่งผิงแดดมีความสุขคุยกันเออให้ความสุขแกเขาเราก็มีความสุขนะนี่แหละสุขสัสธาตามีทาวีเนี่ยให้ความสุขแกเขาเรามีความสุขรู้สึกสุขใจที่ชีวิตมีคุณค่าที่ได้ทำประโยชน์แกก็ทำยังไงอีกก็เลยเอาอย่างนี้ ไหนๆก็คนมีความสุขเพราะได้มาพิงแดดมาอะไรทำลานเลยทีนี้ถานที่มันให้มันกว้างขึ้นกว่าให้มันดีขึ้นสร้างทำเก้าอี้นั่งให้คนมานั่งสมาคมมาคุยกันามาเมากันนะ่ย เ, เหมือนสภากาแฟโอ้พอคนมากันเยอะๆกลายเป็นสมาคมเนะ่ยตัวเองเลยได้เพื่อนเยอะเลยทีนี้ไอ้เพื่อนเหล่านั้นกลายเป็นว่ามากันมานั่งมาคุยมาเป็นสโมสร พอคนมาเยอะๆมาคุยกันมีความสุขแหละคนอื่นมีความสุขมาค้ามานบมีความสุขมีความสุขกันทั้งหมู่บ้านเอาทีนี้จะไปหมู่บ้านอื่นทํำยังไงอ่ะเส้นทางมันไม่มีนะจะไปค้าขายในตัวอําเภอในตลาดไปลําบากมาค้ า, านบก็ไปถางทางทีนี้เวลาหาบคอนของไปขายมันติดกิ่งไม้หรือพี่ผมตัดกิ่งไม้ให้มันมีหญ้ารกๆเดี๋ยวอย่างูกัด ผมถางทางให้เพราถางทางเอ่พอพราะถางทางไปถางทางมาไอ้คนอื่นเห็นใจนะเอออย่าทำคนเดียวเลยคุณนี่เป็นคนใจดีแล้วเกินนะผมช่วยคนที่สองก็มาช่วยเอา้เอ า, เอ า, เ, อาเอามาช่วยกันคนที่สามมาช่วยแล้วหนุมน่มๆในหมู่บ้านเนะี่ยเลิกสามเมเลเทเมาเลิกไปเตะบอลเลิกไปกินเหล้าและมาอาสาสมัครเป็นพวกจิตอาสาจิตอาสาเพิ่มขึ้นแล้วทีนี้ จากสองคนเป็นสามคนสี่คนห้าคนจิตสาธารณะเพิ่มขึ้นทำถนนหนทางเข้าตลาดทำให้ชาวบ้านมีความสุขกิจการเจริญทีนี้ชาวบ้านมีรายได้นะไปช่วยกันทำอาชีพทำอะไรละ่ะขุดคลองบ้างนะไม่เคยมีทำนาก็ได้ทำนากันปลูกต้นไม้ดีขึ้นหมู่บ้านเจริญนะจากสามคนสี่คนห้าคน กลายเป็นแทนะ็กทีมนะสามสิบสามคนนุ่มๆสาสามคนนี่รวมกลุ่มกันสร้างถนนหนทางเป็นกลุ่มเป็นอาสาสมัครหมู่บ้านถ้าสมัยนี้เนี่ยเขาคิดกันเองนะก่อนสมัยพุทธเจ้าสมัยโบราณ น, นี่ไม่น่าคิดได้เลยเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งนะอาสาสมัครหมู่บ้านทำถนนหนทางสร้างอาชีพปลูกต้นไม้อะไรต่าง เดือดร้อนใครรู้ไหมไอ้คนสร้างความสุขแก่คนอื่นเนี่ยแล้วก็เป็นคนหนุ่มๆเนี่ยกลายเป็นว่าทำให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ชอบหน้าแล้วเออมันจะมาแข่งเราละมั้งนี่ไ อ, อ้มะคัามานบเนี่ยมันเป็นหัวโจกสงสัยมันจะมาโค่นเราแหละมันกำลังหาเสียงเออถ้ามันอยู่แบบอะไรไปตีไก่กัดปลานะไปต้มเล่าเทือน ยังจะดีกว่าเพราะเราจะได้หาเรื่องจับมันแล้วก็ขูดรีบมันเออพอมันทําไม่ดีเนะี่ยขายาบ้าขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้ไปหาเรื่องเ อ, อ้ยขู่มันมันจะได้เอาตังค์มาแบ่งเราเราจะได้มีรายได้บ้างไอ้นี่ไม่มีเลยเนะชาวบ้านอยู่ดีกินดีแล้วมันข้ามหัวเรานะแทนที่เราจะได้คะแนนในฐานะผู้ใหญ่บ้านกลับมาต้องเสียหน้า พเพราะเขาก็ไปนินทาว่าไม่เห็นผู้ใหญ่ทำอะไรนะมีแต่มัคะมานบเนี่ยกับพวกพวกทำประโยชน์อยากกันนั้นเลยต้องหาเรื่องให้มันไปติดคุกแกก็แจ้งไปที่ทางการว่าตอนนี้มีแก๊งอั้งยี่นะพวกพวกมบนะสสามคนเนี่ยมันน่าจะก่อกระบทนะอาจจะไปสร้างปัญหายุดอำนาจเจ้าเมืองหรืออะไรต่างๆนี่ในที่สุดทางการระแวงนะ าว่าเป็นพวกที่เข า, าเรียกว่าส่องสุมก็เลยส่งตำรวจมาจับจับไปขึ้นศาลศาลสมัยโน้นนี่มันก็จะมีชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นดีกาไปถึงชั้นดีกาคือพระเจ้าแผ่นดินนะพระเจ้าแผ่นดินสั่งประหารเลยนะเรียกว่าทำผิดมาตรา44เลยโอ้สั่งประหารโทษฐานที่สร้างความแตกแยกไม่ปรองดองแล้วก็เป็นโจร น, นะ ซ่องสมกบหมดสร้างประหารสาสิบสามคนทำยังไงให้ช้างเหยียบเอาช้างมอ ม, ม, อมเล่านี่นะเหยียบเลยจับมันมัดนอนที่สนามนะแล้วก็ให้ช้างเหยียบช้างตัวนี้มันดุมากไล่เหยียบคนสาสบสามคนให้แบนติดธรณีเลยพอเขาเอาคนมานอนเรียงกันสาสามคนนะเป็นกลุ่มเลยปล่อยช้างมานะ่ะ ช้างตัวนี้แทนที่จะเยียบมันหยุดกึกเลยนะ่ะมันหยุดไม่เยียบสงสัยมันแตกตื่นไอ้คนที่มามุงดูก็เลยให้คนนั่ยไปไกลๆแล้วก็ปล่อยช้างมาใหม่ช้างก็ไม่เหยียบเหตุที่ไม่เหยียบเพราะอะไรมรคมานบบอกว่าสหายทั้งหลายจําอุดมการชีวิตเ็ข้อที่เราปฏิบัติกันมาทุกคนได้ไหมวัตถบทเจ็ดน่ะข้อหนึ่งเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่จําได้ไหมจําได้ ข้อที่สองเขาลบผู้หลักผู้ใหญ่จำได้ไล่มาจนถึงข้อสุดท้ายอะไรไม่โกรธแผ่เมตตานะให้แผ่เมตตาเพราะฉะนั้นวันนี้เราแผ่เมตตาหวังดีตั้งแต่พระเจ้าแผดดินนะอย่าไปโกรธพระองค์นะให้ปราถนาแผ่เมตตาไปยังผู้ใหญ่บ้านที่ปองร้ายเราและที่สําคัญแผ่เมตตาให้กับพยาชางที่จะมาเยียบเรา กระแสจิตนะท่านทั้งหลายสาบสามคนแพรกระแสจิตเป็นหนึ่งเดียวมันมีอำนาจเป็นพลังอันศักดิ์สิทธิ์หยุดช้างได้ช้างจิตอ่อนเลยเนะี่ยเมตตารักคนสาบสามคนเลยเพราะพลังจิตสาบสาาทำให้ช้างเนี่ยอ่อนยวกเลยเนะี่ยหยุดกึกเลยพระเจ้าแผ่นดินแปลกพระไทยเอ๊ะทำไมช้างนี่ที่ว่าดุๆมันก็ไม่กระทืบไอ้พวกโจร น, นะ 33สก็เลยไปลองไปถามหัวหน้าเองมีของดีไหมมีรุ่นไหนคลองหรือเปล่ามาค้ามานบบอกไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกพระ อ, องค์มีแต่เมตตาเราถือคติเจข้อวัตถบทเจตั้งแต่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มาจนให้ทานจนเมตตานี่แหละเจข้อนี่แหละเราปฏิบัติกันส3สาคนไม่เคยขาดเลยแล้วเราแผ่เมตตาตลอดพระเจ้าแผ่นดินก็บอกวา ถ้าคนปฏิบัติตามวัตถบทคืออุดมการชีวิตเจ็ดข้อมันจะเป็นโจรได้อย่างไงจะเป็นอั้งยี่ได้อย่างไงจะเป็นกบฏดได้อย่างไงพวกเราไม่ได้เป็นทำไมพระองค์ว่้อย่างนั้นก็เนี่ยผู้ใหญ่บ้านมันฟ้องมาไม่จริงพระองค์ลงไปถามคนทั้งหมู่บ้านสิไอพยานพวกนี้เป็นพวกของผู้ใหญ่ทั้งนั้นแต่ไปถามประชาชนในหมู่บ้านสิว่าเป็นยังไงพระเจ้าแผ่นดินก็เลยให้ไปสืบไปถาม ทังหมู่บ้านเลยเข้าข้างมคมานพกับเพื่อนรวมทั้งสาบสาคนมีแต่ผู้ใหญ่นี่แย่น่ะใส่ร้ายน่ะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเท่านั้นแหละพระเจ้าแผ่นดินพลิกคดีเลยนะเออนี่แพ้แท้เลยนะสาสบสามแพะปล่อยเลยปล่อยไม่พอตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแทนเอาผู้ใหญ่บ้านขี่โกงเนี่ยมาเป็นทาสนะ่ะมาเป็นทา่านรับใช้เป็นลูกน้อง ของมค ะ, ะมานบมัคคมานบกับเพื่อนรวมสาสาคนบอกทีนี้เราได้เรียกว่าบุญทันตาแล้วทําดีได้ดีมีความสุขเต็มที่เรายิ่งต้องทําดีเพิ่มทํำยังไงดีสร้างศาลาประชาคมสํานักงาน อ, อปต อ, อะไรทํานองนั้นเนี่ยนะสร้างใหญ่เลยนะการสี่แยกเลยสี่แพร่งเลยเหมือนกับที่สี่แยกเป็นสํานักงานต้อนรับประชาชน ใครเดินทางมาจากสี่ทิศมาพักได้สร้างศาลามีห้องเหมือนกับโรงแรมสมัยนี้เป็นโรงเตรมนะมีห้องอาบมีห้องอาบน้ามีห้องน้ามีที่พักมีโรงอาหารใครมามีความสุขหมดสร้างกันในขณะที่สร้างศาลาประชาคมหลังใหญ่ภรรยาทั้งหลายรู้เข้าเอเราตก เ, เราเรียกว่าตกขบวนแล้วสิไม่ได้การละ เดี๋ยวเราจะไม่ได้บุญนะสามีเอาบุญไม่หมดก็ไปขอสามีทั้งหลายโดยเฉพาะภรรยามะขามานพเนี่ยภรรยาเขามีสี่คนสี่คนก็ไปขอมคขามานพมคขามานพถามพี่พี่ทำอะไรกันน่ยกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยพมคขมานพก็ตอบสร้างทางไปสวรรค์สิเธอพวกเราจะไปสวรรค์สร้างทางไปสวรรค์ ภรรยาบอกพี่สวรรค์คงมีนางฟ้าเยอะนะลืมน้องเลยนะไม่เอาน้องไปด้วยเหรอไปอยู่บนสวรรค์ด้วยไม่ไปหรอกเกะกะเออฉันจะไปแต่เพื่อนเพื่อนไปหานางฟ้าข้างหน้าส3สามคนบนสวรรค์ไม่มีหรอกผู้หญิงก็ไม่ให้ไปหรอกสมัยโน้นนะเขาเชื่ออย่างนี้ผู้ชายก็แล้วกันพวกเธออยู่บ้านเนี่ยฉันจะสร้างทางไปสวรรค์ ภรยาคนหนึ่งของมคะมานพเนี่ยชื่อสุธรรมมามคะมานพนี่มีภรรยาสี่คนนะสุธรรมมาสุนันทาสุจิตราและก็สุชาดาสี่คนนี่ ส, สุธรรมมามานั่งคิดไม่ได้เราเดียวพี่เราไปสวรรค์ไปเจอแต่นางฟ้าลืมเราเอาอย่างนี้กันแล้วกันเราร่วมทำบุญด้วยไปขอดีๆไม่ให้ไปติดสินบนนะ ในช่างนะเอารางวัลไปให้ในช่างบอกพี่พี่พี่ช่างมันจะต้องมีช่อฟ้าหน้าบันใช่ไหมสาราเนี่ยทำหรือยังยังพี่ไปหาไม้มานะเอาไม้ดีๆนะทำเลยนะเดี๋ยวเอาเอาเอ า, เอาเงินนี่ไปแล้วแกะสลักชื่อสาราว่าสุธรรมมาสาร า, าใส่ชื่อเลยแล้วพี่เอาไปแอบซ่อนไว้แล้วเสร็จแล้วพอถึงเวล า, เาจะเปิดงานนะ พี่ก็ไปบอกออไปบอกมคมานพสามีบอกว่าทำไม่ทั น, นหาไม้ไม่ได้แล้วก็เลยไม่มีหน้าบันไม่มีไม่มีช่อฟ้าได้ไหมในช่างพ อ, อ, อได้เรียกว่าถูกอัธยาศัยก็เลยทำแอบทำซ่อนไว้พอถึงเวลาไม่มีช่อฟ้าไม่มีหน้าบันทำไม่ทันเพราะไม่มีไม้ที่เหมาะทำยังไงดีสุทำมาบอกพี่ นะตอนนี้เนะี่ยน้องเนี่ยไปทำเอาไว้สนใจไหมเขาเรียกว่าผีถึงป่าช้าแล้วเนียเชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาเปิดงานแล้วไม่มีหน้าบันไม่มีช่อฟ้าได้ยังไงภรรยามาขอส่วนร่วมเนยะก็ต้องยอมสิแป๊บเดียวเนรมิตเสร็จแล้วก็แอ บ, บทำไว้เนี่ยยกช่อฟ้าเลยเนี่ยนี่เป็นเหตุที่ทำให้เวลาสร้างอะไรเสร็จต้องยกช่อฟ้าศาลายกยกช่อฟ้าโบสถ์นก็ยกช่อฟ้าหน้าบันขึ้นไป จะเป็นลมเลยนะป้ายชื่อมันชื่อสุธรรมานะ่ะพวกสามสิบสามคนทำแทบตายแต่คนได้หนะ้าเป็นภรรยาบอกแล้วว่าใครใหญ่กว่ากันนะ่ะเลยศาลานี้ชื่อว่าศาลาสุธรรมาอา้าภรรยาคนที่สองน้อยหนะ้าเสมเมื่อไหร่ล่ะชื่อว่ า, าสุนันทาสุนันทาเลยบอกพี่พี่ทำแต่ศาลา ไม่มีสวนไม่มีสวนเพราะฉะนั้นน้องสร้างสวนก็แล้วกันรับสัมปทานทําสวนสวนดอกไม้เนี่ยนะไอ้ขอโทษสุนันทานี่ขุดสระใครไปใครมาต้องมีสระอาบน้ํามีน้ำดื่มขุดสระโบคารณีปลูกดอกบัวสวยงามเต็มสระเลยเลยเป็นเรียกว่าก็ เ, า เ, าเลยทําขุดสระขึ้นมาส่วนคนสุดคนที่สามชื่อชื่อชื่อสุจิตตรา สุจิตราขอทำสวนทำสวนดอกไม้ผลไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้หอมนะดอกไม้หอมไม้ผลไม้ไม้กินได้ทั้งนั้นยืนต้นไม้ประดับทำหมดเลยสุจิตราแต่คนที่สี่เรื่องอะไรสามีทำเราก็ได้ด้วยเลยไม่ทำอะไรเลยซึ่งชื่อสุชาดาสุชาดาคนนี้ตายไปเป็นยังไงไปเกิดเป็นนกกระยางแหละที่เขาเอามาเล่ากันแต่อีกสามคนเนี่ย ตายไปแล้วไปเกิดบนสวรรค์สวรรค์นั้นชื่อดาวดึงนะเตติงสะในภาษาบาลีแปลว่า3 3คนจริงๆนะสวรรค์ชั้นดาวดึงนะั้ไม่ได้ชื่อดาวดึงหรอกตอนแรกเนี่ยมีเทวดาเป็นพระราชาอยู่ท้าวเวปจิตตินะอยู่บนสวรรค์และใครไปเกิดบนสวรรค์จะไปเกิดทีละคนสองคนเพราะคนทำบุญมันมีน้อยไอ้เกิดนลกไม่เกิดเป็นกุลุตกุลุตเนะ เป็นหมื่นเป็นแสนเกิดพร้อมกันหมดแต่สวรรค์เงียบเหงาเน่ยนั่นๆจะไปเกิดสักทีเนี่ยมานั่งฟังอยู่เนี่ยไปสวรรค์เนี่ยมันกี่คนไอไปชอปปิ้งเนี่ยมันเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นสวรรค์ก็เลยค่อยๆค่นางๆจะไปเกิดทีละนิดละหน่อยไม่ไปไปไม่ไปเยอะหรอกไปน้อยๆพอไปน้อยๆเป็นยังไงเป็นเสียงข้างน้อยทุกคนไปเกิดทีไรเป็นลูกน้องหัวนหน้าสวรรค์ชั้นนั้นหมดแต่ครั้งนี้แปลก มาทีมาพร้อมๆกันไล่ๆกันนะอายุไขใช่ไหมสามสิบสามคนพลึบเนี่ยเต็มเลยนะเต็มมุมเลยนะเกินแล้วว่าเป็นเสียงข้างมากนะสาสิบสามเทวดานําโดยมรคมานพก็เลยต้องเลี้ยงต้อนรับไงเทวดาที่อยู่ก่อนเอาเหล้ามามอมกล่าว่าจะมอมเทวดาใหม่เนี่ยมอมไปมอมมามรค ม, ม, มานพ บ, บอกอย่าไปกินนะบอกเพื่อนสามคนนี่ยอย่ากิน ไอ้นี่มันเล่าเอา่อเล่าเถื่อนเล่าที่จะมอมเราเ่าอย่าเลยอย่า ก, กินปล่อยให้เทวดาอื่นๆกินแทที่อยู่ก่อนน่ปรากฏว่าเทวดารุ่นพี่เมากันหลับไหลพระอินทมะคะมานพ ก, กับเพื่อนสาสิบสามคนทั้งหมดเนี่ยจับเทวดาพวกนี้โยนลงใต้สมุทรใต้ภูเขาพระสุเมรเนี่ยพวกนี้เมาลนโดนยงลงใต้ทะเลปรากฏว่า ด้วยอํานาจบุญของเทวานาะทมันเกิดวิมานอยู่ใต้สมุรเราเรียกว่าพบอสูรนะ่ะพวกอสูรเนี่ยแหละทาเวปจิตติไปอยู่ใต้ทะเลส่วนที่อยู่บนสวรรค์คือพระอินทร์สถาปนายุดอํานาจเลยนะตั้งตัวเป็นใหญ่เป็นท้าวสักดิเทวราชใครไปเกิดในสวรรค์ตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้เป็นลูกน้องพระอินทร์หมดยกเว้นจะ มีพวกมากแต่ว่าพระอินทร์เขารู้ตัวแล้วนะคงยึดอำนาจยากต้องอนาจได้ยากต้องไปเกิดสวรรค์ชั้นอื่นแหละแล้วปรากฏว่าบนสวรรค์เนี่ยมีศาลามนะมีศาลาพลุบขึ้นมาเลยเรียกว่าศาลาสุธรร ม, มานานสุธรร ม, มาก็ไปอยู่ในศาลานี้มีสวนมีสระโบกรณีสวนบนสวรรค์ชื่อสวนอะไรสระโบกรณีชื่อสระ สุนันทาน่ะสวนสุนันทาไงอ่สวนสุนันทาแล้วสุจิตราก็มีอ่าไม่ใช่ในในสุนันทาเนี่ยมีสักโบกครณีชื่อสุนันทาแล้วก็มีสวนสุจิตราเพราะฉะนั้นในโลกมนุษย์เนี่ยเราก็เลยสร้างศาลาสวยๆตั้งชื่ออ่าสุธรรมมาศาลาเหมือนบนสวรรค์ มีสะโบครณีเป็นสะสุนันทาและมีสวนจิตระดานะพระราชวังสวนจิตเน่เรียนแบบสวนจิตระดาหรือสู่จิตตาบนสวรรค์ฉะนั้นเรื่องนี้ก็หมายความว่าเริ่มตั้งแต่ชาตินี้ก่อนอยากจะสร้างสวรรค์ไม่ต้องรอชาติหน้าทำตัวเหมือนมรคมานบกับเพื่อนสาสามคน มีจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาชุมชนพัฒนาวัดพระเนนหนึ่งรรูปเนี่ยไม่ใช่สวดมนต์อย่างเดียวนะพัฒนาวัดให้เป็นสวรรค์สําหรับญาติโยมไม่ใช่ให้เราอยู่นะถ้าอยู่เนี่ยโบสถ์ไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้หรอกแต่ให้โบสถ์นี่สําหรับรับญาติโยมวิหารหาลวงพ่อนาค ก, ก็ให้โยมมากราบหลวงพ่อนาคเราถึงมูระณปฏิสังขรณ ตอนนี้สร้างศาลาบูรณะศาลาใหญ่ให้โยมได้ไปถวายสังฆทานไม่ใช่ว่าเออโยมมาถวายสังฆทานพระจะได้ฉันถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยมีความทุกข์ใจแคบในขณะเดียวกันนี้ได้สัทธาของของไทยของบริษัทไทยเบบเรจมูลิธีสิริพัฒนาพักดีสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยกกว่าล้านนี่กำลังตอกเสาเข็ม อยู่ข้างๆหน้าพราะโสดเป็นที่ฟังธรรมที่ปฏิบัติธรรมผู้บริจาคก็ทำตัวเหมือนมคคมานพได้บุญได้กุศลและจะได้อานิสงส์เป็นสวรรค์ในเบื้องหน้าพระที่อยู่ในวัดก็ช่วยกันดูแลรักษาศ า, าสนาสถานท ำ, ทำให้สะอาดสะอ้านไม่มีน้ำก็ทำน้ำดื่มให้วันนี้มาฟังเทศน์ฟังธรรมคอแห้งนะมีกาแฟนะมีน้าชานะ คนชงน้ําชานี่ดีไม่ดีจะได้ไปเกิดบนสวรรค์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่เรียกว่าทําไปเถอะไม่ต้องคิดตังกับวัดหรอกเออก็จะได้ไปสวรรค์แต่ถ้าคิดตังก็สวรรค์ชั้นเล็กหน่อยนะ เ, เพราะฉะนั้นก็คิดให้ดีนะ อ, อ, อย่ามาคิดเงินกับวัดมากนะทีนี้ก็กลายเป็นว่าอย่างนี้ว่าญาติโยมทั้งหลายมาช่วยกันบริจาคในวัดบวมรุงศาสนสถานก็ได้มีส่วนเหมือนนางสุธรรมมาสุจิตานั่นแหละก็จะมีที่มีทางบนสวรรค์ วิมาณของเราเราบริจาคตรงนี้ตรงนั้นทําบุญทําโกุศลจะได้ไปเกิดไม่ได้ไม่ได้ไปเกิดเป็นนกก่อย่างเหมือนนางสุชาดาไงกว่าจะได้ขึ้นสวรรค์นี่โอ้โหต้องไปเทศไปสอนจนอดนะไม่กินปลาเห็นไหมเจนตายไปไปเกิดเทที่ได้ขึ้นสวรรค์ไปเกิดเป็นลูกสาวท้าเวปปจิตติของอสูรพระอินทร์ต้องไปลักขโมยมาเกิดลบกันตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพระอินทร์เนี่ยที่ว่าเทวดาก็อสูรลบกันเนี่ยเหตุเพราะที่แย่งนางสุชาดา นั่นเองโอ้เป็นเรื่องยาวเอาไว้เทศงานอื่นกันแล้วกันเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ยเล่าประวัติพระอินทร์แค่ว่าอยากจะมีความสุขเราต้องสร้างความสุขนะอยากจะให้ตัวเองมีความสุขต้องใจกว้างเริ่มจากในครอบครัวก่อนดูแอดูเลพ่อแม่ผู้แก่ผู้เฒ่าแล้วก็ให้ให้มีวาจาที่อ่อนหวานอย่ามาด่ากันไม่ว่าในวัดในบ้านพูดจาคําจริงคําสัตย์ ไม่พูดยุยงให้คนแตกแยกทะเลาะกันและที่สำคัญต้องใจกว้างคือบริจาคตลอดเวลาให้ตลอดเวลาให้ด้วยอะไรจิตใจเมตตาไม่โกรธนี่เป็นอุดมการของพระอินทร์เจ็ดข้อใครทำความดีทำบุญด้วยอุดมการเจ็ดข้อจะเหมือนกับสหายพระอินทร์คือไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะทำตามเจดข้อผู้ให้ความสุขไม่ต้องรอชาติหน้า ชาตินี้ก็มีความสุขสวรรค์ก็เกิดในบ้านเพราะเราดูแลพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านเราสร้างาความดีที่หมู่บ้านหมู่บ้านก็เป็นสวรรค์พัฒนาวัดวัดก็เป็นสวรรค์พัฒนาประเทศไทยประเทศไทยก็เป็นสวรรค์เพราะไม่ทะเลาะกันถ้าคนไทยทั้งประเทศถือตามอุดมการเจดข้อของพระอินตั้งแต่ดูแลผู้แก่ผู้เฒ่า เคารพผู้อาวโุโสเชื่อฟังท่านไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบพูดแต่วาจาอ่อนหวานพูดคำสัตย์พูดแต่วาจาสมานคนไทยก็จะปรองดองกันไม่ต้องรอให้รัฐบาลมาตั้งกรรมการไม่รู้กี่ชุดตอนนี้เป็นคณะกรรมการปรองดองถ้าเรามีวัตถบทอุดโ d o การณ์ของพระอินเจ็ดข้อโดยเฉพาะข้อให้ต่างคนต่างให้ต่างคนต่างได้ต่างคนต่างมีความสุขและมีเมตตารักกัน รับรองประเทศไทยเป็นสวรรค์เราก็จะมีความสุขคนทั่วโลกก็จะมาเที่ยวประเทศไทยเอาเงินมาจ่ายมาให้ร่ำรวยไม่รู้เรื่องดังที่พันนามาพอสมควรแก่เวลาเทศนาปรโยสานีอไนาวาสารเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศานานี้ขออำนาจแห่งคุณพระซีรัตนตรัยและกุศลพลบุญที่ทุกท่านทุกคนได้บาเพ็ญให้เป็นไป ขอจงมารวมกันกับอาเดชบารมีของหลวงพ่อพระประธานในพระอุโบสถพระพุทธธรรมวิเชตศาสดาหลวงพ่อพุทธนาคันศักศิ์สิทลในพระวิหารและบารมีของพระบรมสาเรนิกธาตุบนพระเจดีย์มาอํานวยพรในปีใหม่และปีใหม่ไทยและปีใหม่ของจีนให้ทุกท่านทุกคนทุกรูปมีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูญยิ่งขึ้นไป ในร่มธรรมเพ่งองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ปราศจากทุกโศกรโรคภัยอุปถัมวตรายทั้งปวงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพัลละปฏิพานธรมรมสานสมบัติธนารา ส, สมบัตสรรสบิตปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปราถนานั่นๆจงพลันสาเร็จจงพลันสาเร็จจงพลันสาเร็จส ม, มโนรถมุ่งมาดปราถนา ตลอดปีใหม่และตลอดไปทุกท่านทุกรูปทุกคนรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในทานสุขกะถาว่าด้วยการให้ความสุขพอสมควรแก่เวลาขอสมุยิติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้